เจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้ขอเชิญท่านสาธุชนมาตั้งใจสดับรับฟังธรรมบรรยายของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามในเรื่องหน้าที่ของ พุทธศาสนิกชนซึ่งหลวงพ่อท่านได้บรรยายให้แก่คณะครูและนักศึกษาจากสถาบันราชพัฒจังหวัดนครปฐมที่เข้าไปศึกษาและปฏิบัติธรรมได้รับฟังกันซึ่งในคราวที่แล้วอาตมาก็ได้นำมาเสนอแก่ท่านผู้ฟังเป็นตอนที่หนึ่งสำหรับวันนี้ก็เป็นตอนที่สองต่อจากครั้งนั้นจึงขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลาย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 เมื่อก้าวเข้าสู่ธรรมกายผู้บรรลุมรรคผลเป็นอริยะบุคคลถึงพระนิพพานที่สุดแห่งทุกข์ทั้งปวงแล้วธรรมกายนั้นเป็นสิ่งบริสุทธิ์ที่สุดเรียกว่าพระนิพพานไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแปรผันไปตามเหตุปัจจัยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแปรผันไปตามเหตุปัจจัยและ ไม่ต้องตกอยู่ในอนัตแห่งสามัญลักษณะดังกล่าวไม่เป็นอนิจจังไม่เป็นทุกขังไม่เป็นอนัตตากลับมีสภาวะที่ตรงกันข้ามคือความเป็นนิจจังเที่ยงสุขขังสุขอย่างยิ่งนะฮะแล้วเป็นตัวตนที่แท้จริงนี้เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์และพ้นโลก นี่แหละพระแท้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านั้นนำธรรมะฝ่ายพระหรือภาคธรรมขาวภาคบุญกุศลเอามาให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติอย่างน้อยที่สุดก็จะให้ได้ความร่มเย็นและสันติสุขอย่างชาวโลกอยู่ด้วยกันก็ไม่เบียดเบียนกันไม่ทะเลาะเบาแวงกัน อยู่ด้วยกันอย่างสันทิสุขและสูงขึ้นไปถึงขั้นทนทุกข์อันถาวรคือพระนิพพานดังนี้ธรรมชาตินี้แหละสามฝายนี้แหละที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ค้นพบแล้วนํามาแสดงชี้แจงแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายควรเข้าใจธรรมชาติสามฝายนี้ ทีนี้เมื่อเข้าใจแล้วเธอพึงเข้าใจความหมายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกันว่าธรรมชาติฝ่ายบาปอาุลุลนั่นเป็นธรรมชาติอย่างไรเป็นธรรมชาติที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองคุณมัว ไม่ผ่องใสจำไว้ธรรมชาตินี้ได้แก่กิเลสอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายมีสามตระกูลใหญ่ๆตระกูลโลภโลภตระกูลโทสะโกรธพยาบาทไปถึงอิจฉาริษยาตระกูลโมหะหลง ไม่รู้ธรรมชาติทั้งสามตามที่เป็นจริงไม่รู้ทางเจริญทางเสื่อมตามที่เป็นจริงนี่คือธรรมชาติเครื่องเศร้าหมองของจิตใจทีนี้ฝ่ายบุญกุศลน่ะเป็นธรรมชาติเธอฟังให้ดีเครื่องชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ท่องใสนี่ตรงกันข้ามกัน นะอันนี้คือฝ่ายบุญกุศลบางคนจะคิดว่าเออบาปบุญไม่เห็นตัวนั่นพูดอย่างคนไม่รู้แต่ผู้รู้เขาเห็นเห็นทีเดียวว่าใจนั้นเศร้าหมองและเห็นว่าผู้ที่มีบุญกุศล น, นั้นใจสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเห็นได้นะอย่านึกว่าเห็นไม่ได้ นี่ทีนี้นี่ว่าโดยธรรมชาติบางคนว่าบาปเป็นอะไรไม่รู้เรื่องจำไว้บาปอากุศลเป็นธรรมชาติเครื่องเศร้าหมองของจิตใจได้แก่กิเลสประเภทสามตระกูลใหญ่ๆคือโลภโทสะโมหะส่วนบุญกุศลเป็นธรรมชาติเครื่องชําระเครื่องเศร้ามอง ให้จิตใจสะอาดผ่องใสนี่เรียกว่าบุญกุศลทีนี้ผู้ที่ทรงไว้ซึ่งธรรมชาตินี้แล้วประพฤติปฏิบัติตามอำนาจของธรรมชาตินี้เรียกว่าอะไรดูให้ดีนะผู้ที่ ทรงธรรมชาติที่เป็นบาปอากุศลแล้วประพฤติปฏิบัติในทางที่เป็นบาปอากุศลเป็นความชั่วทั้งหลายด้วยกายวาจาใจนั้นท่านเรียกว่าอสัตตบุรุษแต่ว่าผู้ที่ประพฤติตามธรรมขาวด้วยอำนาจของบุญกุศลจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ด้วยบุญกุศลนั้น ท่านเรียกว่าสัตว์ตะ บ, บุรุษตรงกันข้ามกับอสัตว์ตะ บ, บุรุษหรือจะกล่าวง่ายๆฝ่ายหนึ่งฝ่ายทำดำผู้ทรงไว้ผู้ประพฤติตามทำดำนั้นท่านเรียกว่าคนชั่วส่วนผู้ประพฤติปฏิบัติตามทำขาวทำดีนั้นท่านเรียกว่าคนดีทีนี้ความประพฤต ที่ไม่ดีที่เรียกว่าประพฤติชั่วท่านเรียกว่าความประพฤตินั้นเป็นบาปอากุศลหรืออกุศลกรรมเมื่อเป็นความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจท่านเรียกว่าอากุศลกายกรรมอกุศลวจีกรรมอกุศลมโนกรรมแต่ตรงกันข้ามกันถ้าเป็นความประพฤติปฏิบัติในทางที่ เป็นความดีเป็นความถูกต้องเป็นบุญเป็นกุศลความประพฤติเช่นนั้นท่านเรียกว่าเป็นความประพฤติที่เป็นบุญเป็นกุศลและถ้าแสดงออกทางกายก็เรียกว่ากุศลกายกรรมทางวาจาก็เรียกว่ากุศลวาจีกรรมทางใจก็เรียกว่ากุศลมโนกรรมทีนี้กล่าวถึงผู้รู้ล่ละ ผู้รู้จักธรรมชาติสามฝ่ายนี้และรู้ความประพฤติปฏิบัติว่าทางใดจเจริญทางใดเสื่อมทางใดจะให้คุณในภพในชาตินี้เป็นปัจจุบันทางใดที่จะให้คุณในภพในชาติต่ อ, ต, อต่อไปหรือในการข้างหน้าท่านเรียกบุคคลประเภทนั้นว่าบัณฑิตฟังให้ดี บันดิตแปลวว่าผู้รู้รู้อะไรรู้ทางเจริญทางเสื่อมรู้การควรไม่ควรแล้วก็รู้สิ่งใดเป็นบาปอากุศลสิ่งใดเป็นบุญกุศลแล้วก็รู้ว่าสิ่งใดจะได้ประโยชน์เมื่อประพฤติปฏิบัติไปแล้วได้ประโยชน์ในปัจจุบันสิ่งใดเมื่อประพฤติปฏิบัติไปแล้วจะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นในการภายหน้า ท่านเรียกบุคคลประเภทนี้ว่าบัณฑิตเพราะฉะนั้นคำว่าบัณฑิตตามความหมายของพระหมายถึงอย่างนี้ไม่ใช่บัณฑิตเพียงว่าคนเรียนจบทางโลกเพราะการเรียนจบทางโลกเป็นความรู้เพียงส่วนเดียวจำเพาะ ที่จะนำมาใช้ท ร, ร ม, มาหาเลี้ยงชีพแต่ไม่แน่ว่าจะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองไปได้หรือไม่เพราะถ้าขาดคุณธรรมเสียแล้วขาดสติปัญญารู้ทางเจริญทางเสื่อมเสียแล้วแม้มีวิชามีอำนาจราชสัก อาจจะเป็นบุคคลที่เป็นพิษเป็นภัยแก่ตนเองและผู้อื่นเยี่ยงโจรหรือยิ่งกว่าโจรอีกก็ได้เพราะฉะนั้นความรู้ทางโลกเป็นเพียงรู้วิชาธรรมมาหากินไม่ใช่จะเป็นเครื่องประกันว่าจะเป็นความรู้ที่นำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขแห่งชีวิตอย่างแท้จริง ท่านจึงไม่เรียกว่าบัณฑิตแท้ๆนะฮะเป็นเพียงผู้รู้วิชาทางโลกที่จะไปประกอบอาชีพเท่านั้นเองนี่แต่ในขณะเดียวกันล่ะผู้ที่ไม่รู้ล่ะไม่รู้สิ่งใดบาปสิ่งใดบุญไม่รู้ทางเจริญไม่รู้ทางเสื่อม ประพฤษปฏิบัติด้วยทิฏฐิความเห็นผิดที่เรียกว่าทิฏฐิชั่วบุคคลประเภทนี้ท่านเรียกว่าคนพานคนพานพาละแปลว่าอ่อนอ่อนอะไรอ่อนสติปัญญาหรือเรียกว่าคนปัญญาอ่อน หรือภาษาตลาดเราเรียกคนปัญญานิ่มไม่ใช่ปัญญาชนฟังให้ดีเพราะฉะนั้นเธอจะเห็นว่าบางทีคนเราอาจจะขนานนามตนเองว่าฉันเป็นปัญญาชนนะแต่ถ้าขาดปัญญาที่ถูกต้องที่รู้ทางเจริญทางเสื่อม ก็ไม่ได้ควรชื่อว่าเป็นปัญญาชนนะฮะเป็นเพียงคนพานคือปัญญาอ่อนนี่เธอจึงพึงรู้ว่าคนรู้ทางเจริญทางเสื่อมเรียกว่าบัณฑิตคนไม่รู้เรียกว่าคนปัญญาอ่อนหรือคนพาน เธอพึงเข้าใจอย่างนี้นี้คือธรรมชาติสามฝ่ายซึ่งตรงนี้จะกล่าวสรุปต่อไปก็ได้ว่าธรรมชาติสามฝายนั้นพระท่านเรียกธรรมดำหรือเป็นธรรมชาติฝ่ายมารซึ่งหมายถึงธรรมชาติเครื่องกั้นความดีหรืออากุศ ล, ลธรรม เรียกว่าอกุศลาธรร ม, มาธรรมชาติเช่นนี้มีลักษณะเป็นธรรมชาติเครื่องยังจิตใจให้เศร้าหมองขุนมัวมืดไม่รู้สภาวะของธรรมชาติตามที่เป็นจริงความประพฤติปฏิบัติตามธรรมนี้ที่ดนจิต ด, ดนใจให้ปฏิบัติชื่อว่าเป็นความประพฤติปฏิบัติที่เป็นบาปอากุศล ผู้ที่ทรงธรรมชาตินี้ไว้แล้วประพฤติปฏิบัติตามธรรมชาตินี้เรียกว่าอสาัตตบุรุษคนไม่ดีหรือคนชั่วผู้ที่ไม่รู้บาปบุญคุณโทษไม่รู้ทางเจริญทางเสื่อมเพราะธรรมชาตินี้ปิดบังจิตใจอยู่นั้นท่านเรียกว่าคนพาลปัญญาอ่อนและผล ของการทรงธรรมชาติน้ไวประพฤติปฏิบัติตามธรรมชาตินี้ให้ผลเป็นความทุกข์เป็นความเดือดร้อนเป็นโทษเป็นความเสียหายแก่ตนเองและผู้อื่นเธอพึงจำไว้ทีนี้ธรรมชาติอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเรากําลังฝ่หากันอยู่ณนะบัดนี้นั่นเรียกว่าภาคพระหรือทำขาว เป็นธรรมฝ่ายบุญฝ่ายกุศลเป็นธรรมชาติที่มีลักษณะคุณลักษณะเครื่องยังจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสผู้ทรงธรรมชาตินีไว้และประพฤติปฏิบัติตามธรรมนี้ชื่อว่าสัตตบุรุษผู้รู้จักธรรมชาติทั้งสามฝ่ายรู้ทางเจริญทางเสื่อม รู้ประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ชนภายหน้าท่านเรียกบัณฑิตความประพฤติปฏิบัติตามธรรมนี้ท่านเรียกว่าความประพฤติปฏิบัติที่เป็นคุณความดีที่เป็นบุญเป็นกุศลและเมื่อปฏิบัติไปแล้วทรงธรรมชาตินี้ไว้ย่อมให้ความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขทั้งในปัจจุบันภพและต่อไปในภพหน้า จนกว่าจะถึงมรรคผลนิพพานธรรมชาติสามฝ่ายนี้แหละเธอพึงเรียนรู้จักได้ชื่อว่าเธอเป็นบัณฑิตคือผู้รู้จริงๆไม่ใช่ผู้รู้สักแต่เรียนรู้วิชาทางโลกแต่ขาดคุณธรรมแล้วมีความประพฤติปฏิบัติเยี่ยงคนผานปัญญาอ่อน น, นี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหลายในวันนี้ที่ใครจะให้เธอรู้และนำไปปฏิบัติแต่ว่าใครจะเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยจำเพาะในส่วนที่เป็นความประพฤติปฏิบัติที่เป็นบุญเป็นกุศลมีมากมายหลายหมวดมากมายหลายข้อที่เป็นคุณความดีแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ได้ทรงย่อหรือกล่าวโดยย่อถึงความประพฤติปฏิบัติที่เป็นคุณความดีไว้สิบประการด้วยกันสิบประการนั้นท่านรวมเรียกว่าบุญญะกิริยาวัตถุสิบเธอฟังให้ดีแล้วเอาไปสอนลูกศิษย์ไปสอนลูกของเธอหลานของเธอต่อไป หรือแนะนำเพื่อนเพื่อนของเธอให้ไปในทางดีได้บุญยกริยาวัตถุสิบประการคือแปลว่าเมื่อประพฤติธปฏิบัติแล้วเป็นธรรมชาติเครื่องชำระจิตใจให้ผ่องใสและปรากฏผลเป็นความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขแต่ฝ่ายเดียวนะสิบประการนั้นข้อที่หนึ่งทานามัย บุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานหรือการเสียสละแล้วค่อยพูดกันในรายละเอียดว่าสละยังไงจึงจะเป็นความดีตั้งแต่เบื้องต้นถึงเบื้องสูงได้ประการที่สองศีละไม่บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลอย่างพวกเธอทั้งหลายกำลังประพฤติปฏิบัติอยู่ในขณะนี้อีกประการหนึ่ง ภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาอบรมจิตใจยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นด้วยการทำสมาธิและการเจริญปัญญารู้แจ้งในสภาวะธรรมชาติทั้งหลายดังกล่าวและสูงขึ้นไปเป็นปัญญารู้แจ้งในอริยสัจสี่คือทุกสมุทัยนิโรธมรร เป็นทางให้คนโลกบรรลุมรคผลเป็นอริยบุคคลถึงขั้นสิ้นทุกทั้งปวงอีกประการหนึ่งเป็นข้อที่สี่เธอฟังให้ดีนี้สำคัญมากซึ่งเธอไม่เคยได้ยินหรือได้ยินไม่กี่คนอภิจายนามัยความประพฤตอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มีสามระดับ ประเภทผู้ใหญ่โดยวัยวุฒิคนแก่มีอายุเหนือกว่าเราผู้ใหญ่โดยคุณวุฒิเช่นครูบาอาจารย์ผู้ทรงศีลเป็นต้นทรงศีลทรงธรรมผู้ทรงศีลทรงธรรมนั้นแม้จะเป็นเด็กกว่าเขาก็เป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิเหนือกว่าสามารถ และควรที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนกับท่านแม้แต่พ่อแม่ยังต้องกราบลูกที่บวชเป็นพระสงฆ์ดังนี้แม้แต่พระที่มีอายุมากแต่มีอายุพรรษาน้อยก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนกราบไหว้พระแม้อายุน้อยแต่มีพรรษามากกว่านี่แปลว่า ผู้ใหญ่โดยคุณวุฒิอีกอย่างหนึ่งผู้ใหญ่โดยชาติวุฒิได้แก่เท้าพระยามหากษัตริย์หรื อ, อราชนิกูลที่สูงสักสูงตระกูลต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเราก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนตามควรตามกาละเทศะที่ควร เป็นบุญเป็นกุศลสำคัญเธอสังเกตดูอย่างคนในวังนะเป็นระเบียบเรียบร้อยกิริยาวาจาอ่อนหวานมีผลส่งให้เจริญรุ่งเรืองด้วยยศถาบรรดาศักดิ์อย่างนั้นและเธอจงสังเกตเนะี่ยคนแข็งกระด้างหยาบคาย ก็จะไม่เจริญไปในทางนั้นแม้อยู่ในศักตรกูลที่สูงก็ตกต่ำลงได้ให้สังเกตดูไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายที่อาตมาได้เคยกล่าวว่ามานะสถานที่นี้พึงสำรวมกิริยาวาจาและใจแม้กระทั่งนั่งฟังธรรมพึงกระทำด้วยความเคารพอาตมาได้แสดงให้ดูนะ ว่าอย่านั่งในท่าที่ขาดความเคารพบาปอาุศลนั้นเกิดแก่เธอนะอาตมาไม่เป็นไรหรอกเธอดูสิพระเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าพระสงฆ์นี่นะผู้กราบไหว้นะมีทุกระดับจากสูงสุดลงมาถึงต่ำสุดดูท่านนั่งอย่างไรในการฟังธรรมดูสิแม้กระทั่งแต่งตัวท่านก็แต่งด้วยความเคารพ ในพระธรรมพระพุทธพระธรรมพระสงค์เป็นทั้งวัฒนธรรมเป็นทั้งระเบียบเป็นทั้งวินัยนี่พวกเธอทั้งหลายแต่งตัวด้วยชุดขาวเรียบร้อยนี่แสดงความเคารพดีอยู่แล้วแต่กิริยาที่แสดงออกในการฟังธรรมในการนั่งอบรมไปซะตั้งแต่เดี๋ยวนี้เธอควรจะเป็นบัณฑิตโดยธรรม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 ที่จบลงไปนั้นเป็นการบรรยายธรรมของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยะมงคโลเจ้าวาดวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามในเรื่องหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนตอนที่สองซึ่งท่านได้บรรยายให้แก่คณะครูและนักศึกษาจากสถาบันราชพัฒจังหวัดนครปฐมที่เข้าไปศึกษาและปฏิบัติธรรมได้รับฟังกันในโครงการอบรมจริยธรรมแก่นักศึกษา ที่จะไปทําหน้าที่เป็นผู้แนะนำสั่งสอนเป็นแม่แบบแม่พิมพ์ในโอกาสต่อไปซึ่งหลวงพ่อก็ได้แนะนำเกี่ยวกับธรรมะอันเกื้อกูลแก่การที่จะไปเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนในโอกาสต่อไปสำหรับรายการธรรมะสู่สันติในวันนี้ก็หมดเวลาหลงแล้วขอเชิญท่านสาธุชนโปรดติดตามธรรมะบรรยายเรื่องนี้ได้ในครั้งต่อไป ก่อนจากกันก็ขอส่งท้ายด้วยภาษาธรรมคํากลอนว่าผู้ใดรักษาใจผู้นั้นรักษาธรรมผู้ใดรักษาธรรมผู้นั้นก็คือรักษาใจผู้ใดระวังจิตผู้นั้นระวังหมดผู้ใดระวังจิตผู้นั้นก็ไม่เสื่อมจากธรรมผู้ใดคอยตามดูจิตของตน ผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมารรายการธรรมะสู่สันติวันนี้ขอลาท่านสาธุชนไปก่อนโปรดติดตามธรรมะบรรยายเรื่องนี้ได้ในครั้งต่อไปขอความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินเจริญพร